พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวหลว ง, งพ่อว่าเนี่ย คนคืนมาผูกก้อนน่ยหลายนยจนคืนบ่ดนกไปรถนี่ืนบ่ดเพราะมันค้นเต็มลงมากกับลงมากบ่ดบ้นเนียพวกพวกพวกนี่นไปอารแนี่นะคนไม่ใช่น้อยนะมาผูกก้อนนะหลวงพ่อ ว, า น, ว า, น า, นานเน่แถวบ้านเท่าเน่ยลูกลานต้องบอกกับเถกแก่อยู่เนี่ยออกล้านข้าก็ได้ขายของที่ระลึก คือการครับทั้งอื่นทั้งไก่ทั้งเมืองเชียงใหม่เขานะ่ะเนี่ยสนามโรงเรียนบรนณาคําน่อยนะ่อยตั้งขึ้นมาแต่มแม่แม่โบอาจารย์เลิมเออเด็กน่อยนักเรียนก็พูดนะสนามมันกว้างนะไปเล่นทั้งทั้งหลังก็ได้มาอะไรก็ตั้งกร ะ, กระต๊บกระแทบขึ้นมาเนี่นนะขายของที่ระเลือกย้อนมาอะไรก็ลงเลี้ยนก็นเช่าแต่แม่บานเนี่เช่ารงเรียนอนะ่ะนี่ย รงเียนกรไดเงินอีกต่างหากตีกว่าถิ่มดินไว้ซื้อก้อนละซี่สิบก้อนละล่อยเดือนละหน่อยกนละนั่นเยอมากก็เป็นเงินบำรุงลงเล่นนูนนะ่นไปเอาเสือผาของบันขาวหน้าขาวนะแล้วก็ไปพุ่นไปเอาของอยู่ไถ้าจะเด็ดผ่ น, นะมาขาย พวกผู้ถ่อผู้แกนที่กว่าจมกันยังเหลนนี่ครับมาแกะพวกสร้างพวกหมูหมากาไก่ก็ะไรตัวไม้มักมีไม้มักม่มมกมวงมันเออมาน ก, ก็แต้มสีเข้าไปเลยเถินั้นขายเป็นของที่ระลึกมัดในขั้นฉลาดขั้นงโงเลยไม่แต่เห็ดฝอโจโลอยู่ในบาทนี่สื่อหนึ่มัดทาเฮ็ดเยี่มันต้องมีหัวแม่ลูกหลานนะ่ หลวงพ่อไม่แต่สอนวิชาอย่างอื่นมีสอนวิชาจิลธรรมวิ ช, า, ช, ออวชาอาชีพทังสิลูกหลานมันหนาจะมันหนาจะคือเทศทรงคนซักคนไปกระไดพยาบาลมีหัวเด็กกระทรงคนไหนที่มีหัวทุขคนะนะทรงขึ้นไปทั้งเชีงยงใหม่ผนะัวหนาไปแกะสลักน้าเขาผัวหนาไปจ้างแกะหูส่างแกหูหมาเขาเฮ็ดแบบใด ไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนเน่ยกลับมากนี่ไปหาฝ่าแต่บ้านชาของยังก็รอก็เดจากนั้นก็ไปแกะไม่งามวม่วงของลงพอนี่มีเยอะแยะแต่ลงพอพอขายเขาขายรถกไปเออเขาไปแกะเน่ยแกะักแกะหักมีต้นหมักมีต้นหมักม่วงมานี่าแล้วก็แท้ทาสีแต่มอบั่มาแล้วขายฝรั่งบัตรหูบสร้างบ่หูบมาบ่หูบเรืสีบ่ จะไปแก้แต่หูบลงพออินเท่านั้นหรอปะ <c oughs> <c oughs> ไปหาแก่ลุกลุงพออินเนี่ยเธอเลอเทาลาอยู่ทุก ท, ทุกแห่งทุกหัวหนเอออะไรหูบด้วยสีผมหูบไอ้ยางบอกแก่หูบสางหูบเลีงแก่ใช้โหลดมันอไปเป็นทีละลึกมัดหนึ่งตัวหนึ่งมันโมแปนราคาถือได้ปาเนี่ยตัวหนึ่งเป็นหลายลอยพราะนะ่ยหลายลอยเลเป็นพันไปถามถามมึงดิ ไปเฮียนวิชาจากเขามาตรกรอนน่ยลงพอว่าต่อไปพายปากน้ามันสิถธาพอนเลยข้ามต่อข้ามปากต่อปากคนขึ้นมาวัดปลาผู้ก่อนเน่ะเจดีไอ้ทั้งเจดีทั้งพระพุทธรูปเนี่ยคนเี่ยลังมากมือว่านี่เมื่อก่อนเนี่ยเห็นมั้ยคนขึ้นไปแน่นจนลงมากจนลงมากกว่าใดผูกขึ้นไปก่อน่ลดลงมาบ่ไหนมันแน่นป่านั่นละ่วะวันนั้นทินเท่านี่ยเป็น ถนนสายสายธรรมะสายประวัติศาสตร์ต่อไปไ า, า, า่ภาคนาลูกหลานต้องตื่นตัวการธรรมหาเลี้ยงชีพขอสำคัญเฮ็ดหยังให้ซื่อสัตย์สุดจริตอย่าไปคดอย่าไปโกงแต่ด้วยมากคนที่บวได้รับการศึกษาเพราะเห็นเงินตื่นเงินขึ้นมากพราะขายขึ้นมาบัตรักหลังเข า, าขอรคอล okay ลแ่ละ ว่าตัวเองฉลาดผลในสุดเขาจับไปเข่าคคกก็ดะดหัตาเหลือมแม่แม่ผู้วันะ เ, เ, เ, เมื่อยังพรท่านเข่าคุกเขาพ่ะท่านใส่ใส่กองแขนเลยผยองพ้องตัวล่ะเพราะเหตุใดเพราะมันบริคิดเลยอนาคตเป็นยังไงตัวเองเฮ็ดประถุเพราะนั่นต้องเฮ็ดยังต้องซื้อสัตสัตจจะนี่ต้องมา ก, ก่อน ในการทํามาหาเลี้ยงชีพสัสจจะคนบนมีสัสจจะเฝ้าตอแหลหนาตอแหลหลังตลบไปตลบมาตลบตะแลงไปทำมาค้า ข, า, ข า, ายกับไปเขาบาวชใจทั้งมดทั้งที่เขาจะเอาขนาดนึงเขาต้องเอาเตรียมให้เกินด้วยวเกือบจะเขาบาวขาดทุนหมดละเขายังปล่อยของออกมาเพราะเหตุใดเพราะเขาบาวชใจ ขั้นค้นไหวใจกันแล้วเอาไปขายเลยขายแล้วก็ส่งขึ้นสายแล้วก็ส่งขึ้นพราะมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจต่อกัน เ, เขาต้องการคนจริงจังจิงใจขั้นอวาดเขานัดวันที่หนึ่งนะวันที่สามสิบสามสเอ็ดไปส่งแล้วก่อนเวลาอีต่างหากาโมเมนต์ที่นัดวันที่ เนื่องมาจนพูนน่ะทะเลทรายวันที่เก่าที่ซีบุูนน่ะวันที่ซีบผาพนน่ะสิ้นเดือนพูนยะัะไปส่งเขาไปเอาขังต่อไปเขากจะจีปได้จะไหนของเขาใจตุบตุบตมตอ ม, มจนพอแห้งน่ะจะสิมาส่งขึ้นมามาส่าางกบรบโปงหูน่ะนี่แหละการทามาค้าขายมันต้องซื้อต่งซื้อสัตว์จังโรงพ่อเกิดกันไอ้นนขั้นอว่าของเนี่ยโรงพ้อยังบอกให้ปลาอยู อย่าไปข้างเขาไว้โดนหนะ้าอันใดเป็นเพราะว่าเงินเขาก็ได้หมุนขั้นมีอย่างกับเฝ้าเหตุเฝ้าใจแมนอยู่แล้วเอจาจบของจบของผู้เฝาพอใจเอาก็สบายใจแต่ผู้จบของเงินเขาเขาไวสบายใจได้พวกพระต้องคึนะ้นหน้าแต่โดยมากพระก็บอคอขึ้คือหลวงพอ่อเนียพระก็โจรโลจิเล่ขึ้น น, นนลอะไปเป็นสมพานหมดเลยจึงจะหูุดหงว่าเป็นเท่าไหรแต่หลวงพ่อเนี่ย เป็นสมผ้านะพงพอใจขันาา้นว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นหนีเป็นศีลข้ามาเนะ่ยต้องรีบจ่ายจะไปเอาปูนเข้ามาจรงจริงข้ามาเท่แห้แล้วถ้าพอสมข้วนล้วะขควรจะสั่งใจเขาถึงเขาจะว่าบาอกไปยั้งหรอกอันนั้นคือนามใจของเขาแต่เขาพูดเอาของเข้ามาเนยะเงินมันประโยชนเขาขางออกขาผู้ใดนะได้ไหวเท่าได้ยิ่งดีเอ เท่ปุ yup, lives, ๊บใจปั๊บเท่ปุ๊บใจปั๊บอะไรยิ่งดีฮบ่าว่าเขาบ่าว่าเฮ้าบ่แมนจี้ใจไปเดยคนนู้นเป็นปีพอน่ะยังคอยอาไปใจเขาเขาเขาบ่าว่ายังบ่เดือดร้อนแต่ถึงยังใดก็ตามเจ้าของผู้ของคือเขาเอามาให้เขาก็คิดูด้วยกันบางที่เขาก็ต้องการเงินที่จะเอามาหมุนเงินน่ยมันหมุนอยู่เลย กันบ่มีหมุนแท้ๆก็จับยัดธนาขาั้นกินดอกมันเด็กกินดอกในธนาคั้นก็ได้เพว่านี่ยเซียงโมนี่มันต้องได้คิดมดัดการทํามะหาเลี่ยงชีพการอยู่ด้วยกันว่าสัจจะนี่แหละสาคัญคนขุมมือมันไรสัจจะเด็กเบาจหนึงลบจะนึง่งลบใจหนึงไปจะนึง่งมันบาวาแต่นั่นแต่ว่าแต่เมืองไทยทั่วโลกคนไป สมัยก่อนมันบม่มีหนุตัวหนังสือการเป่าเสีการเอาว่าง่ายสมัยก่อนอาเซียทั้งหลายแหละตะแก่ไงทั้งหลายแหละพอตกลงกันแล้วเอาแก้วนํานำชาติช้นกันนลยจับแก้วนำชาติส้นกันไปว่าเอาเป็นยังสันนะก็ต้องเป็นยังสันหมดไปคูเมินมันเอาเล่าเอาแกเหล่าส้นกันบัดพอแกเหล่าส้นกัน ก้อนเทวะก็ตาปือ๋อผู้แห้งเอาไปบาดนาออกมาจากพวงเราจักแม่กูวว่องอย่างกรบโปงหูบาดเลยเอาไปมากด้วลบไปลบบ้านตอแหลกันไปตอแหลกกันมากหาความสัตย์ความจริงบ่ใดโดยมาขค้นคูมมุมเนี่ลักษณะจันทนระ์เลยสัญญาแล้วสัญญาอีกมัดแล้วมัดอีกเอานอกนักกฎหมายเส้นแล้วเส้นอีกตรวจแล้วตรวจอีกแต่ละค่ำมันเอาไปเพื่อป่วให้เสียเปียบเขาเราไป แต่ขนาดนั้นอขั้นบรใจให้ดือด้อๆนะเป็นอย่างไรลบหนีซะบางพูนกันไล่จ้ากันหลายบาทฟ้องกันอีกอกฏหมายแผ่งกฏหมายอาญากว่ากันไปอีกบาทเนะี่ยมันหลายแนลเพื่ออย่างในโลกก่นนะเนี่ยเบิงเบิงแล้วอสารวจนวุ่นวายบม่มากเกิดใดไหนดีที่สุดลุกลามนนะี่ย เาว่าหน้พ้นทุกนั่งวัฏสงสารยามาเวียนไหวตายเกิดตามแนวแถวของพุทธะอนิพพานังปรรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ว่านิพพานังปรรมังศูนย์ยังโอ้ไ่อยากไ่อยากศูนย์น้าหายสาบศูนย์ไปเนี่ยไ่อยากนิพพานั่งนิพพานศูนย์เน่ยกขบไม่อยากศูนย์น้าตามไม่จริงมันศูนย์กิเลสกิเลส ในใจของเฮ้านะ่ยตัวเทพาให้ยุ่งเหยิงบุญไหว้เนะี่ยมันศูญไปตัดออกไปมีแต่ความบริสุทธิ์น่ะนิพพานังปรรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอนิพพานังปรรมังศูญอย่างศูญเชื่อเชื่อที่จะทธมาให้เกิดในวัฏสงสารนะเชื่อมันมัดคือกรรมคือกันกับเมล็ดข่าวคือกก เ, เขาก็เม็ดข่าว พ่อกระทอเปลือกก็ามาแล้วมาหนึ่งพ่อมาหนึ่งซุกแล้วบาดเนะี่ยเอาไปปลูกก็บอกเกิดบาดนะี่ยที่ว่ามันศูงว่ามันก็บริูจน์มันก็เป็นเม็ดเข่าอยู่แต่เป็นเม็ดเข่าที่บริสุทธิ์เป็นเม็ดเข่าที่บันมีเชื้อที่จะไปปลูกเกิดคันเพราะว่าเป็นเม็ดเข่าธรรมดาเนะี่ยเม็ดเข่าเปลือกมันมีเชื้ออยู่ทันหันได้เพราะมีเชื้ออาไปถูกน้ำได้ เอาไปว่านลงในดินแดนเนี่ยเกิดเลยงอกเกินมากเลยเอขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆไปเพระเหตุใดเพราะว่ามันมีเชื่อนอันนี้คือกันใจของเฮาเนี่ยยังมีเชื่อคือกิเลสลากหะโทษสะโมหะโลภโกรดหลงอยู่มันมีเชื่อเพราะมันมีเชื่อนีอ่มันก็เกิดไปเรื่อยๆยแต่พระพุทธเจ้าพ้นไปเบิ่งหลับไปค้นคว้าศึกษาแล้ว ในจำกําจัดด้วยมักแปดอริยสัจกันกรองไตรตรองจนใจของพระองค์บริสุทธิ์ลดพ้นทำความเข้าใจกับทำความเข้าใจในใจรู้ใจในใจเห็นใจในใจทำใจให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์เพลิงก็เลยบอกว่าในหนทางเนี่เป็นหนทางที่ ที่พอม้เวียนไหวตายเกิดกันมาเวียนไหวตายเกิดไปยังสี่แล้วเดีเ๋ยวก็เจอนันเดี๋ยวก็เจอหนิเดี๋ยวก็เรื่องนันเดี๋ยวก็เรื่องหนิอย่างที่พวกเข้าทันทั้งหลายเห็นนั่นสิ่งที่พอพึ่งปรารถนาก็เกิดขึ้นได้ขาฟันลั่นแท่งกันไอ้ยังต่อไอยังจีปทะลอยแปดทั้งคดทั้งโกงกันไอ้สิ่งที่มันบอกออกในสื่อนั่นนะเออ เราในตัวของเข้าทุกขนอนะมันก็มีอยู่บมเมนหน่อยขึ้นกันไอ้สิ่งนะที่ออกที่ออกเข้าหูเข้าสาบนะ่ะอันนั้นมันออกหน่อยเดียวลงนี้นนะมันบวหลายได้ไอ้ตัวที่สิ่งอยูุบต้นในออกนะที่มันมีอยู่แล้วมันเกิดนะ่อันนี้กับพวกเข้าทันทั้งหลายกับผู้ใดต่อผู้ใดนะมากไม้ ม, มหาศาลที่มันบวออก น, ะนี่แนหะพิจารณาดูแล้วเบื้องแล้วโลกอนี่หนาเบือนายสรุปแล้ว บนานมัเกิดที่จะสหาทางพ้นทุกข์กันดีที่สุดเฮ็ดจังไรที่พ้นทุกข์นี่ยนะต้องศึกษาศึกษาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเฮ้านะหลวงปูมัน่นพันสอนจังไรหลวงตามหาบัวสอนจังไรจังั้นเฮ้ากับบ้านํามาประพฤติปฏิบัติละบ้านเนี่ปฏิบัติตามที่พนน้นในนั่มสั่งสอน จากนั้นเข้าจะหูหคนทางไปเรื่อยๆลเลยกนะ็คือกันครับเข้าทํามาค้าขายมาอย่างนี้แหละจังหลวงพอบอกอยงนี้เละเอ้ยลูกหลานเลยเริ่มเริ่มทำมาค้าขายไปหานางตาฝ่าบ้านเเอฝ่าโซนอย่างมันโบล้านแล้วคนรุ่นใหม่มันหนาจะใช้หัวใช้สมองใช้ความคิดแล้วนะทํามาค้าขายนะพอได้ยหนึ่งสี่เลยที่ค้าขายอย่างไรล่อล่องไปเป็นลูกนอ้องของบางโน่นไะง พ่อไปเป็นลูกน้องเขาได้แหละกั บ, บานนี่อือมูจักช่องทางล่องล่องขายมันเพ่อขายพ่อได้เงินเท่านั้นแหละต่อไปขยันเองบ้านี้เริ่มเป็นเออเถ่าแก่น้อยขึ้นมากแนละ้วต่อมา ก, กันนะั่นแ่ะทํามากค้าขายขึ้นมากกันจะเรื่อนลุงเรื่องรวยนะได้เงินมากนะ่ะบอกให้เศร้าก็ปวดเศร้าบา้านไปเหตุหน้าแม่ไปเหตุหน้าแม่น้อยบ่ได้สนใจล่นะ มีแต่การทำมา ก, การทำมาค้าขายแบบนี้เออมันได้ดีกว่าในการที่ทําไล่ทำหน้าทํารวดทําสวนนี่แหละอันนี้ก็คือเข้าเห็นผลเข้าเห็นผลในการปฏิบัตินี่คือการนันะ่นแหละการทำมาค้าขายคือการการปฏิบัติจิตตภาวนาคือกัร น, นะคานาวาเข้าเลยภาวนาจิตภาวนาไปแล้วมัน เสือหมันละดูดดื่มในจิตใจกั้นสั้นกับ น, นี่นะคู่บาอาจารย์ที่เพิ่นดำร่งทรงศาสนาอยู่ใดเพิ่นกันนี่แหละแต่บางคนกับเขามาอยู่นในศาสนากันเทศพ อ, อลเลาะแระนะ่แล่เนี่หลวงพอบอกนะเห็นพระหน่อยพระนมเขามาที่แหละก็ตั้งใจมุ่งมั่นแหมว่าจะตัดพบตัดชาติตัดกิเลส มีความตั้งใจพ่อเขาไมา่บวชแท้ๆได้หน่อยเดียวเท่านั้นเออถอยหลังหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยยานอาวกาศ อ, อมันบินตามพดโลกมันถึงดูดมันต้องบินให้สูงไหมเออบินให้สูงเลยเอองพระพุทธเจ้าพันผ้าบินพระ อ, อรหันตสาบกพันผ้าบินบินให้สูง ถ้าบินให้สูงแล้วนะ่โลกดึงดูดไม่ได้อไปเลยขันว่าโลกยังดึงดูดได้กิเลสโลกโกรธหลงลาคะโทษสาโมหะยังดูดได้โยนะไปไม่ได้ด็อกมองโลกเป็นสวรรค์อยู่ถ้ามองโลกเป็นเอเป็นกองเพิิงกองทุกแล้วนะอันไหนคือสุขเกิดแก่เจ็บตายสุขใช่ไหมอา่าพัดภาคจาก เป็นสุขใช่ไหมดูสิดูให้ชัดๆ ด, ดูให้ชัดๆความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ของพวกเรานี่ยคืออะไรค้นหาดูค้นหนัวให้ดีฉันอาหารอร่อยอันนั้นคือความสุขใช่ไหมนอนหลับสนิทนันนั้นคือความสุขใช่ไหมมีเงินมากมาก มีทรัพย์สินเงินทองมากๆมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมมีหมูพวกเพื่อนมากๆมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมไล่ไปดูทีละอันละอันละอันเลยความสุขที่แท้จริงเบิ่งแล้วมันบ่อแมนสักแนวเลยบานี้ทกานกินอาหารอร่อยแมนอูอร่อยในปากอีกสักวันหนึ่งบ่าห้าไ ป, แ ล, าาปาาออแล้วบ่ห้าปวดมันบ่าหามันเสีออกเบาทเนี่มันสุกห่ดเล ขันอยู่ในบ้านเจ้าของกับข้ายุคนะไปไปต่างถิ่นโอ้มันบวมเป็นธรรมดากันนี่แหละบางที่มันอาหารเป็นพิษถืขึ้นมาอมีหมู่หมู่พวกเพือนหลายขึ้นกันหมู่พวกเพลอนหลายก็าบอกมป็นเนวดีได้ขันบอมีความผอมเชี่ยงสามกี้กันเอาละแต่เนี่ยการกันในหมู่พวกเพืินเนี่ยมันบม่มีความสุขเออมันหาความสุขอะไรขึ้นกัน มูพวกเปลือยหลยคันมีเงินไหลขึ้นกันจ้ากแมนไพรจะมาโคตมาโขงมาปนมเนี้ยปล่อยให้ลูกน้องให้ไพดูแลกับวัยใจบาปเนีเ่ยเพราะว่ามันเงินเนี่ยนะอันไหนคือความสุขที่แท้จริงเนะมันหาความสุขบ่ได้โล ก, กนะถ้ามองมองดูแล้วนะทางว่าอย่งทําคําสอนของพระพุทธเจ้าปล่อยวางที่ใจนะไม่ยัดไม่ยึดมั่นถือมันปล่อยวางที่ใจนะ การปล่อยว่างที่ใจจุดนี้นะเฮาต้องศึกษาละบ้านะนี่ยศึกษาในการปล่อยว่างเหตุอย่างไนการปล่อยว่างตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามพ่อแม่คู่บาอาจารย์เปิดในน้ำสังสอนเฮาพขาเขาศึกษาถ้าศึกษาลูแล้วนั่นแหละเดินเดินตามแนวแถวของเพิินจะถึงบรมสุขสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขที่จอมปลอม คอยพวกเข้าศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะศึกษาทางโลกก็จะให้ขาดตกปกพ่องในเมื่อเข้าอยู่ทางโลกกามันขยันการส่อแสวงหาทรัพย์ใส่สติใส่ปัญญาใส่ความสื่อซัตย์สุดจริตอย่าไปเหตุแนวที่มันพิษกฎหมายบานเมืองอย่าไปเหตุพิษศีลธรรมอย่าไปเหตุที่มันทะเลาะเบาแหว่ง ในมูในคณะในวงศาขนาดใหญาในกลุ่มของเฮ้าอย่าไปเอาลัดเอาเปียบมูเกินไปให้ซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละอั น, นอในขยขาดเฮ้าเป็นคราวะในเรื่องศิลธรรมเฮ้าขยาไปปล่อยปะละเลยเกินไปควรจะประกอบคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรม ภาวนาไหวพระสวดมนต์นางภาวนาประกอบคุณงามความดีสางบุญสางกุศลใสจิตใสใจของเฮาอันนี้กับยาประมาทให้ได้ทั้งสองทางสรุปแล้วทั้งคดีโลกและคดีธรรมคดีโลกก็คือนะการข้องฉีบคดีธรรมก็คือหาหนทางต่อไปประโลกภายภาคหนาเพราะเฮาบดญอายุแต่โลกอย่างเดียวอีกสักวันหนึ่งนะเฮาจะได้เดินทาง ไปไสกระโปงหูละ่ะไปตางประเทศละ่ะกระดูกล่างกายของเขาถูกเผาเผาไฟทิงละ่ะเห้าคนออกจากล่างนี่ไปไส่กระหูละ่ะตางค้นตางไปละตามแล้วจะบาปกรรมของไผของมันกรรมเน่เป็นผู้จำแนกกรรมเน่เป็นย้านพาหนะผ้าให้วิญญาณของพวกเห้าไป้าวาเห้าทํำกรรมดีสางบุญสางกุศล ย่านข้า น, นั่นก็เป็นย่านที่ดีผ้าเข้าไปถ้าหากว่าเท่าท่าไม่แต่บาปกรรมอกุศลทั้งหลายกผู้ที่ผ้าเข้าไปกทหารย่อมมาทูดล็อกแขนลากไปเลบ่บานไปลง่งนัตตกนรกมกใหม่ไปเลยลจากนั้นครับถึงบทขนาด ก, ก็ไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์รชานไปไหนมด ทุกแห่งทุกคนมนุษย์ของเฮาใจของเฮาเนี่ยพราะนั้นเพิ่นให้ตั้งตนไวชอบให้ประกอบแต่คุณงามความดีสางบุญสางกุศลอัหลับพอน้หวานให้ น, นุพ่อพูดภาษาพื้นบ้านให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะ